ต้องตายเหมือนกันแต่ออสยังเด็กอยู่กว่าจะแก่และถึงเวลาตายเท่าคุณตาอย่างอีกนานฉันพยายามจินตนาการคำว่านานในหัวเด็กวัยห้าขวบแล้วก็คิดว่าสมองน้องออสคงว่างเปล่าสิ้นดีอย่างมากอาจนึกเทียบเคียงกับเวลารอพ่อแม่กลับบ้านก็ได้และเมื่อไหร่คุณตาจะตื่นเห็นนอนอยู่ในโลงตั้งหลายวันแล้วถ้าตายก็ไม่ตื่นแล้วล่ะลูก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 บอกได้คำเดียวว่าทุกคำตามมาก้องกังวานในหัวไม่หาย